คาถาสังคนิกะว่าด้วยกลุ่มคาถาหนึ่งสัตตะนัครสุปัญญัตตะสิกขาบทว่าด้วยสิกขาบทที่ทรงบัญญัติในเจ็ดพระนครพระบาลีเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาส3 5สสหพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเธอห่มผ้าเฉวียงบ่าประนมมือ ดูเหมือนมีความมุ่งหวังมาณสถานที่นี้เพื่อประโยชน์อะไรท่านพระอุบาลีกราบทูลว่าสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ในวินัยทั้งสองมาสู่อุทเทศทุกวันอุโบสถนั้นมีเท่าไหร่ทรงบัญญัติณพระนครกี่นครพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปัญญาของเธอดี เธอสอบถามอย่างแยบคายเพราะฉะนั้นเราจะบอกเธอสมกับที่เธอฉลาดถามสิกขาบทที่บัญญัติไว้ในวินัยทั้งสองมาสู่อุทเทศทุกวันอุโบสถนั้นมีส5 0หสิบกขาบทเราบัญญัติณพระนครเจ็ดนครพระบาลีกราบทูลว่า ศิกาบทที่ทรงบัญญัติณพระนครเจ็ดนครพระนครไหนบ้างขอพระองค์ได้โปรดชี้แจงพระนครเจ็ดนครนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังถ้อยพระดำรัสของพระองค์แล้วจะปฏิบัติข้อนั้นจะพึงมีเพื่อความเกื้อกูลแก่ข้าพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า สิกขาบทเหล่านั้นเราบัญญัติณกรุงเวสาลีณกนะรุงราชครืบกนะรุงสาวัตถีณนะเมืองอาราวีนกะรุงโกสัมพีนะักแคว้นสักกะณภนะคะชนบทสิกขาบทบัญญัติพระบาลีกราบทูลว่าสิกขาบทที่ทรงบัญญัติณกนะรุงเวสาลีมีเท่าไหร่ ณกรุงราชครืมีเท่าไรณนะกรุงสาวัตถีมีเท่าไร่ณนะเมืองอาราวีมีเท่าไรณนะกรุงโกสัมพีมีเท่าไรณนะแคว้นสักกะมีเท่าไรณนะพักฆะชนบทมีเท่าไหรพระองค์อันฆ่าพระพุทธเจ้าทูลถามแล้วขอได้โปรดตอบข้อนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสิกขาบทที่บัญญัติณกรุงเวสาลีมีสิสิกขาบทนกรุงราชคฤื้มี21สิกขาบทณกรุงสาวัตถีรวมทั้งหมดมี2 9งรสิกขาบทนเมืองอาราวีมีหสิกขาบทณกรุงโกสัมพีมีแปสิกขาบทนแควนสักกะ มีแปดสิกขาบทณภักฆชนบทมีสามสิกขาบทเธอจงฟังสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้นักกรุงเวสาลีตามลําดับต่อไปสิกขาบทว่าด้วยการเสพเมถุนธรรมสิกขาบทว่าด้วยการพรากกายมนุษย์สิกขาบทว่าด้วยการกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีจริง สิกขาบทว่าด้วยทรงอติเรกจีวรสิกขาบทว่าด้วยการทำสันถัดโดยใช้ขนเจียมดำล้วนสิกขาบทว่าด้วยการบอกอุตตริมนุสธรรมที่มีจริงสิกขาบทว่าด้วยการฉันปรามประโภชนะสิกขาบทว่าด้วยการรับประเคินอาหารนอกจากน้ำและไม้จำระฟันสิกขาบท ว่าด้วยการให้ของเคี้ยวของฉันแก่อาเจละกะในหมู่ภิกษุณีสิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีด่าบริาพาทภิกษุรวมสิกขาบทที่บัญญัติณกรุงเวสาลีสิบสิกขาบทเธอจงฟังสิกขาบทที่เราบัญญัติณกรุงราชครืตามลำดับต่อไปสิกขาบท ว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในกรุงราชครื้สิกขาบทว่าด้วยใส่ความภิกษุสองสิกขาบทสิกขาบทว่าด้วยทําลายสง์และประพฤติตามสองสิกขาบทสิกขาบทว่าด้วยการรับอันตรวาศ ส, สิกขาบทว่าด้วยการแลกเปลี่ยนรูปิยะ สิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอได้สิกขาบทว่าด้วยการกล่าวให้เพ่งโทษสิกขาบทว่าด้วยฉันบินธราบาต ท, ที่ภิกษุณีแนะนำให้จัดเตรียมสิกขาบทว่าด้วยการฉันพัตตาหารในที่พักแรมสิกขาบทว่าด้วยการฉันคณะโพชนะสิกขาบทว่าด้วยการฉันโพชนะในเวลาวิกาล สิกขาบทว่าด้วยการเที่ยวสัญจรไปสิกขาบทว่าด้วยการส่งน้ำนอกสมัยสิกขาบทว่าด้วยการอุปสมบทให้บุคคลมีอายุย่อนกว่า20ปีสิกขาบทว่าด้วยการให้จีวรสิกขาบทว่าด้วยการไม่ห้ามภิกษุณีผู้คอยบงการสิกขาบท ว่าด้วยการเที่ยวดูมหรสกบนยอดเขาสิกขาบทว่าด้วยการไม่หลีกจาริกไปสองสิกขาบทสิกขาบทว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาโดยให้ปริวาสิกะฉันทะสิกขาบทเหล่านี้บัญญัติณกรุงราชคฤห์รวม21่สิกขาบทเธอจงฟังสิกขาบทที่เราบัญญัติ นักุงสาวัตถีตามลำดับต่อไปปาราชิก4สังคาทิเศ ษ, 16, ษสิอนิยต10อนิยตสองนิสกีี24ิสิกขาบทที่เรียกว่าขุดทกะสิกขาบทมี156สิกขาบทว่าด้วยการกรธรรมที่น่าตำหนิ10สิกขาบท เสเขียววัด72สิกขาบทรวมสิกขาบททั้งหมดที่เราบัญญัติณกรุงสาวัตถีสอรสิิกขาบทเธอจงฟังสิกขาบทที่เราบัญญัติณเมืองอารวีตามลำดับต่อไปสิกขาบทว่าด้วยการก่อสร้างกูดีสิกขาบทว่าด้วยการทำสันถัดผสมใยไหมสิกขาบท ว่าด้วยนอนร่วมกันกับอนุปสมบันสิกขาบทว่าด้วยการขุดดินสิกขาบทว่าด้วยการพรากภูตคามสิกขาบทว่าด้วยการเอาน้ามีสิ่งมีชีวิตรดหญ้าหรือดินรวมสิกขาบทที่เราบัญญัติณเมืองอารวีหสิกขาบทเธอจงฟังสิกขาบท ที่เราบัญญัตินักรุงโกสัมพีตามลําดับต่อไปสิกขาบทว่าด้วยการสร้างวิหารใหญ่สิกขาบทว่าด้วยภิกษุเป็นคนว่ายากสอนยากสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวกลบเกลื่อนสิกขาบทว่าด้วยการติดตั้งบานประตูสิกขาบทว่าด้วยการดื่มสุราเมรยัย สิกขาบทว่าด้วยไม่เอื้อเฟื้อต่อคำตักเตือนสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวสิกขาบทว่าด้วยกล่าวตักเตือนโดยชอบธรรมสิกขาบทว่าด้วยการฉันน้ำนมเสียงดังซูดซ่ด์รวมแปดสิกขาบทเธอจงฟังสิกขาบทที่เราบัญญัติณกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะ แสิกขาบทตามลําดับต่อไปสิกขาบทว่าด้วยการให้ซักขนเจียมสิกขาบทว่าด้วยบาดมีรอยซ่อมห้าแห่งสิกขาบทว่าด้วยเข้าไปสั่งสอนภิกษุณีถึงที่อยู่สิกขาบทว่าด้วยขอเพศสัตว์สิกขาบทว่าด้วยการทํากล่องเข็มสิกขาบท ว่าด้วยการอยู่ในเสนาสนะป่าสิกขาบทว่าด้วยการใช้น้ำชาระสิกขาบทว่าด้วยการไม่ไปรับโอวาทเรากล่าวไว้ในหมู่ภิกษุณีเธอจงฟังสิกขาบทที่เราบัญญัติณภคชนบทตามลำดับต่อไปสิกขาบทว่าด้วยก่อไฟผิงสิกขาบท ว่าด้วยการจับภาชนะน้ำดื่มด้วยมือเปื้อนอามิตรสิกขาบทว่าด้วยการเทน้ำล้างบาทมีเมล็ดข้าวสุกในละแวกบ้านสิกขาบททั้งหลายคือป ร, ราชิกสีสังฆาทิเศษ7นิสัก ค, คี8ขุดธกะ32ศสิกขาบทที่น่าตำหนิ2เสขยวัตสาม อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพัน์แห่งพระราชาผู้สูงศัก์บัญญัติณหกพระนครรวมห้าสิบหกสิขาบทพระโคดมผู้มีพระยศทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีรวมทั้งหมด294สิสิกขาบท